คือคณะบเป็นกอไก่เลยล่ะทั้งหหนึ่งะที่ผู้จอกกอปี 2,500 ที่หลวงปู่มาอยู่เราคุณห ล, ลงพ่อเองก็เป็นเด็กเข้ามาอยู่ขบวงหลวงปู่อายุจบเพียงจบปส .4 อายุ11เพียง12อปีเข้ามาอยู่ที่ผู้จอกกอปี2อ0พ หลวงพ่อเป็นเนนปี2005นะลูกหลานนะเป็นเนนกลึ่งพุทธกาลจากนั้นก็ได้เป็นบวชเป็นสมเด็ปีนะั่นะปีกลึงพุทธกาลปี2500จนถึง2508เป็นสมเด็จจุแปดปีจากนั้นก็ได้บวชเป็นพระเมื่อครบบวชปีบวชปีศูย์ แล้วก็จำพรรษาจุ๊อกองหลวงปู่ปีนั้นจำพรรษาสององไม่มีสมณเณรอยู่ด้วยกันสองที่เป็นพระเวลาจะประเคนอันไหนโอ้ลำบากมากจะต้องถึงตอนเช้าซะก่อนมีโยงเข้ามาจึงรับประเคนได้เนี่ยบางปีเคจำพรรษาสามองบางสององบ้างที่หลวงปู่ร่าอยู่ที่นี่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 แล้วปีนี้หลวงพ่ออายุเจ็สิบนะคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานไม่ใช่พ้าน้อยพ้านุเพราะนั้นการจะปีนเขาขึ้นมาภูเจา ก, ก้อเนเออปีนขึ้นมาที่ไลกนเหนื่อยเอเอเกือบต่อไปน่คงจะได้ถามและคณะสัตายาญาติโยมยังถามเจ้าอาวาสเมื่อกี้นี่บอกว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยตอนที่ท่านอยู่ภูเจา ก, ก้อนอายุเท่าไหร่วะ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 ใคยๆก็ไม่เหมาะสมควรจะพูดมากกว่านี้อีกต่างหากเพราะอะไเพราะหลวงปู่ล่าท่านมีน้ำจิตน้ำใจจริงๆต่อคณะศัตายาญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระน้องพระนุ่งทั้งหลายคณะสัตายาญาติโยมผู้ใดไม้เห็นหลวงปู่แล้วก็นำทำคำสอนหรือว่าที่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 แล้วก็ท่านก็มีโป๊ะตะเกียนโปะเล็กๆ เ, เพื่อมาให้มแมลงมันบินชนไฟไฟไหม้ปีกของมันท่านก็มีนั่นแหละกระโป๊ะเล็กๆครอบจากนั้นท่านก็เดินอย่งกลมเลยทีไหนบางที 3, 4, 5สี่หทุ่มท่านยังเดินอย่งกรมของท่านลงปู่ท่านขยนันเทยงขนาดนั้นเพราะท่านท่านจึงพิถีพิถันมากทางเดินยงกรมของท่าน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 บางทีก็จุดทายไฟแล้วก็เดินจยกลมพอเราขึ้นมาก็สว่างนะท่า น, นก็ดับเทียนละดับไฟละะท่านก็เดินแต่บาดของท่านนะ่ะท่านเอาไปไว้เนะี่ยเอาไปไว้ทางอีกทางหนึ่งแต่ผ้าสั้งคาตินอยู่กับท่านนะเอาบาดของท่านเอาไปวางไว้ก้อนหินที่หน้ากุฏิท่านขมัดสายนะขมัดสายทบไปทบมาท่านมัดเราเป็นเนน้อยขึ้นมากันละเอาสายมากับจะ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 เวลาเราขึ้นมารับบาตดลงปู่พอเสร็จแล้วเนะี่ยเราเป็นเดนนน้อยพอถินบาดแล้วก็เราก็ยกมือไหว้บาดลงปู่ซะก่อนนะฮะยกมือไหว้เสร็จแล้วเราก็เอาบาดคล้องสายบาดคล้องเข่าคล้องคอเนะี่ยคล้องคอมันเพราะลงปู่มัดสายไว้แล้วนะี่พอจะเอาสายยาวลงปู่เพนุ่นไปถึงหัวเขานะั่นนะถ้าว่าลงปู่ไม่ทบสายไปให้นะลงปูก่กระทบมัดสายไปแล้วเราก็ปนมือเสร็จแล้วก็คล้องคอ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 จากนั้นท่านก็มัดบาทของหลวงปู่ฮะมัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วขอหลวงปู่ก็ได้เวลาไม่มีนาฬิกานะบางทีท่านก็เดินโยกโกมจนเพลินเหมือนกันเลยบางทีเราก็ไปคอยอยู่หน้าบาดบางทีก็หลวงปู่ลงนานลงมาแล้วเกินพราะท่านเดินยกโกรมท่านก็เพลินของท่านฮะบางทีท่านก็คลองผ้าจากข้างบน่ะท่านก็เดินลงไปไปปีนทับบาดพอบินทบาดกลับมาแล้วบางทีท่านเอา ปิบนะปิบไม้ปิบไว้ด้วยคอนไม้คอ น, น้ําขึ้นมาด้วยจากจากทางปินนับบาดพวกเราก็เอาบาทขึ้นมาหลวงปู่ก็คอนปิบขึ้นมาเพื่อเป็นน้ําล้างบาทนี่แหละเราอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยความลําบากแต่หลวงปู่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงจริงในการชีวิตของหลวงปู่ที่ท่านจยู่ภูเจาะพอขึ้นมามา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 เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะวางฝาฝาองค์หรือขันท่านจะไม่ท่านก็สอนอีกเหมือนกันนะไม่ให้วางตรงตรงถ้าว่าในในถ้ามันมีอยู่สองสามองค์ด้วยกันใช่ไหมล่ะมีหลวงปู่หลวงตาเวลาจะวางขันน่จะไปวางตรงตรงไม่ได้นะมันดัาง ก, กลองท่านบอกว่าเวลาวางฝาปิดองน้ำต้องเอาแตกข้างใดข้างหนึ่งก่อน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 แผ่เมตตาจุดนี้คล้ายๆกับว่าใจของเราเนี่ยไปค่องแวะด้วยอารมณ์โมโห โ, โ, โกธากับผู้ใดใครผู้หนึ่งอยู่เราในช่วงที่เรานั่งสมาธิเนะี่ยอย่าไปโกรธผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดวางไว้ก่อนนะถึงจะโกรธยังไงก็ให้วางไว้ก่อนอย่าเอามาในขณะที่นั่งสมาธินะมันจะจิตใจมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบนะ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 เด็กชายอินตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคณะจัตย า, าญาติโยมลูกหลานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังในรายละเอียดอย่างนี้ถ้าว่าลูกหลานคณะจัตยาญาติโยมจะนําไป ป, ปฏิบัติหรือว่าแนวทางขององค์หลวงปู่ล่าที่ท่านสอนให้หลวงพ่อจะนําไปปฏิบัติหลวงพ่อว่าแบบเดินไปไม่กระดะับถูกต้อง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 เล่นเล่นบัตรเล่นเบอร์โอ้หลวงตาเนี่ยหลวงปู่ล้านไม่ถูกกันเลยนะเออไม่ถูกกันเลยเรื่องเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เนี่ยเอสมัยเป็นเนตรน้อยหลวงพอ่อยู่ที่นี่นะใครมาเนี่ยตาจ้องมาอะไรเนี่ยอโดยมากคนมาข่าว น, นก็มาถามฝันบ้างมาจับคําพูดหลวงปู่บ้างลักษณะอย่างนั้นนะอหลวงปู่ก็รู้ว่าเขามาเหล่านั้นใช่ไหมอพอเขามาแล้วก็อฉันอยู่จังหันอยู่ที่ถ้ะ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 เพราะว่าใครมาหาเขาจะไปจับสาบานทั้งหมดก็คงไม่ได้ เ, เพราะว่าใจของเขามันก็คงจะมีนั่นแหละเรื่อง อ, อยากจะได้เรื่องอบัตรเรื่องเบอร์แต่ถึงหนึ่ ง, ง, งยังไงหลวงปู่ก็ควรจะยืดหยุ่นยืดหยุยย่นสักหน่อยก็ดีหลวงปู่เพราะมันจะทําให้เขาลําบากใจเลอะเกินว่ะเพราะนั้นถ้าวาว่ามันเลบออกมาจริงๆหลวงปู่จะค่อยด่าค่อยว่าถ้าอยู่ในจิตในใจเขาเขาจริงๆ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 วันนี้ก็เป็นวันที่18ใช่วันที่ยบที่จะถึงในผู้วาราชการจังหวัดอุดรท่านก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องคณะสัทยาญาิโยมผู้เกี่ยวข้องเข้าไปไประชุมที่สลากลางจังหวัด น, นี่แหละอันนี้ก็คือเราไม่ได้นิ่งดูได้แต่จะตกปจจัจที่พวกเราทำบุญถวายไปนั้นไม่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 หลวงพ่อเป็นหนี้นะถ้าไม่ถ้ามันแก้ผ้าหน้าไม่รอดจริงๆวัดของหลวงพ่อพันตั้งพันสามร้อยข้ไร่คงจะเอาไปจำจำธนาคารว่ะ เ, เอาไปเอาไปจำธนาคารไว้ถ้าใครกลัวว่าจะไม่ได้เข้าวัดหลวงพ่อนะคงจะไปช่วยช่วยไถยด้วยกันใช่ไหมล่ะออพอหลวงพ่อเป็นหนี้นี่ว่ะ <c oughs> วันนี้หลวงพ่อได้กล่าว เรื่องอะไรให้คณะชทตาญาติโยมฟังหลายรถหลายชาตินะก็เพื่อจะเป็นเครื่องประับสติปัญญาของคณะชาตาญาติโยมอย่างที่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าผู้ฟังผู้ฟังยอมรับฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น